มันเหมือนกับเป็นไม้สองท่อนแล้วมันฝังแล้วมันขาดกระเด็นแบบชัดว่ามันก็ไม่ทราบวาตรงนี้เรียกว่าอะไรนะคือสติเกิดขึ้นมาจริงๆนะอกุศลต้องดับทันทีดับอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเจ้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวอกุศลอะไรหรอกไม่ต้องไปคิด ล, ามาลนะมันหรอกฝึกแปให้สติมันเกิดแล้วมันละเอง อันนี้หนูเจอปัญหาตอนนี้เจ้าค่ะว่ากลางคืนที่นอนเนี่ยเจ้าค่ะพอมันเพิ่ทุกครั้งเนี่ยรู้สึกหมดเนจะ้าค่ะแล้วแล้วก็เลยนิดตบตัวว่ามันเราจะนอนไม่พอไห ม, ไมแล้วเราจะ<ม> <laughs> แรงทํางานหเปล่าไม่เป็นอย่างนั้นหรอกให้เป็นใช่ไหมล่ะคะคือเจิญสติพอสติมันเกิด น, นะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกจิตเคลื่อนไหวก็รู้สึก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 อยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยร่างกายกระดูกกระดิกก็รู้สึกเอง <Okay. S 2> มันรู้สึกทั้งกายรู้สึกทั้งจิตแหละค่ะ uh huh. อันนี้เมื่อวานก็มีความรู้ว่ารู้สึกตัวอยู่แต่มันไม่โปร่งเหมือนทุกครั้งเจ้า mm hmm. ค่ะก็เอ๊ะเป็นอะไรเราเผลอก็ก็ไม่ใช่ก็รู้แต่มันมันไม่โปรง uh ่งนะเจ้าค่ะใจทื่อๆอยู่เนาะเจ้าค่ะคือบางครั้งโมหามันแทรกมันมีหลายสภาวะ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 กิเลสยะผุดขึ้นมาห้ามไม่ได้นะไม่ได้ชวนเลยอยู่ๆก็เกิดขึ้นใหม่มีเหตุมันก็มีอนะไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่เราอนี้ดอกขอโอกาสถามกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเส้นทางที่หนูกําลังรู้สึกดูดเนี่ยนะเหมาะกับหนูไหมเจ้าค่ะเหมาะสิเนาะ <c oughs> เหมาะแล้วคือเวลานักปฏิบัติเกิดกิเลสเนี่ยอย่าตกใจนะ ส่วนมากเราปฏิบัติเราหวังจะเอาดีจเจอกิเลสเราไม่ชอบน ะ, จะเจอกุศลเรชอบชอบข้างหนึ่งเกลียข้างหนึ่งหวังเอาสงบไม่ชอบฟุง้งซ่านชอบชอบสงบนี่รักข้างหนึ่งเกลียข้างหนึ่งเหมือนกัน<ม>อยากมีความสุขปฏิบัติแล้วอยากได้ความสุขเกลียความทุกข์แท้จริงแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อความสุขความสงบหรือกุศลอะไหรอก วิปั ส, สนาจริงๆเนี่ยทําไปเพื่อให้เห็นความจริงและสิ่งที่ต้องการเนี่ยคือต้องการเห็นความจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดล้วนแต่ดับทั้งสิ้นพระโสดาบันคือท่านผู้เห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปต้องการเห็นแค่นี้แะไม่ได้เอาดีเอาสุขเอาสงบอะไรถ้าเราหวังว่าจะต้องดีต้องสุขต้องสงบการปฏิบัติของเราจะลุ่มลุ่มดอ น, ดอนๆเพราะอะไรเพราะความดีความสุขความสงบเป็นของไม่เที่ยง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 หรือคนทั่วๆไปไม่มีสติปัญญาเลยเ ก, ล ก, ก็กิเลสเกิดก็ถูกกิเลสกลับงำไปเลยเพวกนี้คล้อยตามกิเลสไปพวกนักปฏิบัติก็ต่อสู้ไปกิเลสคล้อยตามไปบ้างต่อสู้บ้างนะใช้ไม่ได้ต่อไม่ได้จริงที่จริงกิเลสแสดงตัวออกมาเนี่ยดูเหมือนน่ากลัวแต่แท้จริงมันแสดงจุดอ่อนให้เราเห็นนะมันแสดงไตรลักษณ์ของให้เห็นถ้าดูเป็นนะใจไม่น่ากลัวเท่าไหร่ เมื่อก่อนหวงพ่อฝึกกระบี่กระบองนะสมัยอยู่มหาวิทยาลัยหลงพ่อพบว่าถ้ากระบี่ที่น่ากลัวที่สุดเลยนะคือถ้าเบสิกเบสิกที่สุดแนละ้วน่ากลัวที่สุดเลยอย่างเวลาคนคู่ต่อสู้ของเรามันตั้งกาดเข้มแข็งเลยนะไม่มีจุดอ่อนให้เข้าโจมตีเลยแต่พอมันเริ่มเคลื่อนไหวนะอย่างเขาจะขยับมาโจมตีเราเขาเคลื่อนไหวนิดเดียว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 เมื่อามีสติอยู่นี่อากูศนจะครอบงำจิตไม่ได้รับรองไม่ทำผิดศีลห้าจะมีศีลดยอัตโนมัติเลยเนกะิดอินเสียสังวรศีนศีนัตโนมัตศีนที่ไม่ต้องขอใครไม่ต้องขอเพียงข้อข้ อ, ขอครูบาอาจารย์วัดป่าแต่ก่อนท่านชอบพูดเลยนะศีนที่เที่ยวมาขอๆขอนะท่านเรียกศีลยากจน <c oughs> เทียวไปขอคนอื่นเขา ศีลที่เกิดจากการมีสติเป็นศีลที่พระอริยะชมเชยกี่เรียกอริยะการศีลศีลที่ชมเชยพระอริยะชมเชยมีข้อดเดียวอย่าคือจิตเป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงําพฤติกรรมของเราก็จะไม่ทํำชั่วทําผิดทางกายทางวาจาอัตโนมัติยังถูกพรดาความโกรธเกิดขึ้นมารู้ทันความโกรธครอบงําจิตไม่ได้เราก็ไม่ฆ่าเขาไม่ตีเขาไม่ด่าเขา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 เห็นซ้ำๆนี่แหละปัญญามันเกิดรู้ความจริงมันเข้าใจความจริงว่าทุกสิ่งเกิดแล้วดับมีสติอยู่นี่ถึงจุดหนึ่งวิมุติจะเกิดขึ้นมันมีสติมากเข้ามากเข้าเลยเห็นจิตไปยึดถือโน้นนี้ที่ไรทุกทุกทีนะจิตจะทอดวางวางวงไปแต่ไปจิตก็แจ่มแจ้งขึ้นมาว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยพอเห็นกายเห็นใจเป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างอย่างที่คนทั้งโลกเข้าใจกัน แสดงว่า <IL EN C IO> ทุกเลืวนนๆมันวางปล่อยวางวิมุตต์ความหลุดพ้นก็เกิดขึ้นอาศัยสติรู้กายรู้ใจซึ่งท่านเรียกว่าสติปัฏฐานนั่นเองสติที่รู้กายรู้ใจตัวเองนะเรียกว่าสติปัฏฐานท่านถึงสอนว่าสติปัฏฐานเป็นทางเอกเป็นทางสายเดียวคําว่าเอกายานามัคมีคําแปลหลายอย่างเป็นทางสายเดียวที่จะถึงความบริสุทธิ์ก็ได้เป็นทางของคนที่ต้องไปคนเดียวก็ได้ ต้องสู้ตามลําพังนะช่วยกันไม่ได้ต้องสู้เองเป็นทางของท่านผู้เป็นอเอกคือทางของพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นทางที่มีเฉพาะในธรรมวินัยในศาสนานี้เท่านั้นก็ได้คําว่าเอกายนะมัดทางเอกแต่ได้หลายอย่างต้องเดินคนเดียวเข้มแข็งไว้ค่อยๆเรียนรู้เรียนรู้กายเรียนรู้ใจ ถ้าสติไปรู้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่รู้กายรู้ใจก็ไม่เรียกสติปัฏฐานเรียกสติอย่างอื่นสติธรรมดาสติอย่างลลกโลกถ้าเป็นสติรู้กายรู้ใจถึงจะเรียกสติปัฏฐานถ้าสติเกิดขึ้นสติอ่อนๆเกิดขึ้นอยากทำบุญอยากใส่บาจากฟังธรรมมีสติเหมือนกันแต่สติอย่างนี้ยังไม่เรียกสติปัฏฐานในสติธรรมดา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 งั้นถ้าจะพูดถ้าใารเรียนอภิธรรมนะจิตที่ใชใ้เจริญสติปัฏฐานเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจิตที่เป็นมหาปุสนยานสัมปยุตประกอบด้วยปัญญาอสังคาริกงังไม่ได้ชวนให้เกิดเกดเองไม่ต้องอ้อนวอนให้เกิดงั้นมีกำลังกล้าจิตที่ต้องโน้มนำให้เกิดนะไม่มีกำลังเท่าไหร่ไม่เข้มแข็ง เช่นใจเราฟุ้งซ่านเราก็ต้องมาคอยคิดนะฟุ้งซ่านไม่ดีนะหรือโกรธล้วก็ต้องมาคอยคิดนะโกรธก็ไม่ดีนะเมตตาดีกว่าอะไรเงรี้ยน้อมนําจะให้เกิดจิตที่เมตตาจิตอย่างนี้ก็ฉลาดเหมือนกันนะแต่ว่าไม่มีกําลังเท่าไหร่ต้องชักจูให้เกิดแต่จิตที่มีกําลังทําสติปัฏฐานเนี่ยเกิดเองแต่เกิดเองก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุ มันมีเหตุที่ทำให้เกิดได้เองคือเราจำสภาวะได้จิตจำสภาวะได้มากเข้ามากเข้าสติเกิดเองอย่างของคุณมันจำโทสะได้ละจิตมีโทสะวับมันเห็นนะโทสะขาดสะบั้นเลยเหมือนมีมีดที่คมกริบ ป, ปันชับขาดสะบั้นไปเลยนี่สติเกิดเองล่ะบางทีสติไม่เกิดเองบางวันนะบางวันก็จะไม่เกิดเอง จงใจให้เกิดนะไปดูจงใจไปดูนะจะทื่อๆขึ้นมาจะทื่อๆซึมๆอย่างที่ว่านั่นแหละไม่มีกำลังพอที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วดูบ่อยๆคุณวุฒเบอร์สิบเก้าเชิญวันนี้มีมองอห็มีนิดเดียวไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีนิดหน่อยก็พอทางเรียนที่บอกหลวงพ่อว่า เห็นจิต <N> เป็นทุกข์กันะฮะพอเห็นจิตเป็นทุกข์แล้วมันก็เห็ น, นกายมันมีมีอีกตัวหนึ่งนะนอกจากตัวมัวมัวนะคือฟุ้งซ่านรู้เอาไหมอนี้จิตมันฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านนะต้องอะ <c oughs> ไอีกคือรู้จิตแล้วก็รู้กายว่ากายมันก็เป็นทุกข์รู้ไปพร้อมๆกันหามันไม่พร้อมหรอกบุรุขณะกันธรรมดาของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งแล้อย่างเดียวมันจะรู้เด่นได้ชัดอนะอันเดียว อีกงานหนึ่งมันเหมือนแบกกล่าวท่านะนั่งไหนไม่มีอะไรวันนี้ใจมันลุกหลิกลุกหลิกแล้วก็รู้ทันมันนะไม่ห้ามมันนะกิเลสกำลังเสียทีเราละกำลังแสดงส่รลักให้เราดูละ้าบคุณมนเบอร์สี่มันง่วงหวมันก็เลยงมโหไป็นหมดเลยโมวหก็ไม่เป็นไร หมัวก็รู้ว่ามัวอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะได้หมดอนะ่ะกุศลก็ได้อะกุศลก็ได้แต่ถ้าเราจะทําสมถะเราก็ต้องเอาดีเอาสุขเอาสงบถ้าทํำมิพัสนามันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงั้นเมื่อวานมีคนเอานักสือของอาจารย์สุรวัตรเล่มใหม่มาให้ดูโอหน้าดูนะเล่มใหม่ดีเรื่องหัดรู้หัดดูได้เห็นนี่ยัง ดีนะเขียนดีแบบนีไไ้ไปอ่านนะหลวงพ่อจะได้ไม่ต้องสอนเยอะแต่ละคนเนอะเนอะไปรวมเรื่องที่คนถามบ่อ ย, อ ย, อาายๆทำไปเขียนเขียนได้น่าฟังดีก็ต้องปฏิบัติตามที่หลวงพ่อบอกเลยแมเรายัางบังคับนิดๆดูออกไหมแต่ยังแข็งทื่อๆนิ ด, น, ด, น, ด, น, ด, น, ดนึงมันยังไม่หมดดีนะเึ็ผลจากการที่เราฝึก เพ่งฝึกประคองฝึกกำหนดไว้ยังติดมานิดหน่อยใจจะทือท่อๆนิ่งๆนิดหนึ่ ง, งดีแล้วละ่ะค่อยคลายออกไปเยอะและ้วดูออกไหมมันคลายกออกมันเบาขึ้นมันบากว่าบากว่ า, วา ก, ก่อนเราไปฝึกนะเราน้าสงสารพวกเรานักปฏิบัติเราคิดว่าจะเอาดีให้ได้แล้วเราก็เอากําลังเข้าไปบังคับเข้าไปกําหนดไว้ไปประคองไว้ไปควบคุมไว้ การกำหนดการบังคับการควบคุมการเพ่งมันคืออัตตากิลมัทานุโยกมันคือปุญญาีิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายดีถ้าทำแล้วเราก็ทุกแบบคนดีนะก็มีความทุกข์ขึ้นมาใจไม่แช่มชื่นเท่าไหร่หรอกแข็งแข็งคลิดเครียดแข็งแข็งให้ดูไปนะดูไปอย่าเติมอะไรลงในการรู้รู้อย่างที่มันเป็นรู้ไปเรื่อยเรื่อยรู้เล่นเล่น รู้แบบคนไม่มีส่วนได้เสียรู้แบบคนวงนอกเราดูจิตดูใจของเราเหมือนเราดูเด็กข้างบ้านไม่ใช่ลูกหลานเราด้วยนะเราดูเด็กข้างบ้านไม่มีส่วนได้เสียเราก็จะเห็นเย่ยเดี๋ยวเด็กมันก็หัวเราะเดี๋ยวเด็กมันกนะ็ร้องไห้เดี๋ยวมันโยเยนะเดี๋ยวมันโมโหเดี๋ยวมันตะกละาตะกรามเนี่ยใจเราก็เหมือนเด็กนั่นแหละเราก็คอยรู้แต่ทำไมต้องรู้แบบเด็กข้างบ้าน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 ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของทนอยู่ในสภาวะอันใดนหนึ่งไม่ได้เป็นของบังคับไม่ได้เพื่อให้เห็นใ่รักนั่นแหละคือที่ผ่านมาเห็นโนปะโทสะโมหะเยอะขึ้ น, นเนี่ยโอ้ดี<ห>ดีมากเนะมื่อก่อนไม่ใช่ไม่มีกิเลสนะนแต่เมื่อก่อนไม่เห็นนะเคยมีคนตลกมากเลยนะมาต่อว่าหลวงพ่อนะว่ามาทำกรรมฐานอย่างหลวงพ่อนะั้น ดิชั่นกิเลสเยอะขึ้นเยอะเลยดิชั้นแต่ก่อนไม่เคยมีกิเลสเลยเออบอกเมื่อก่อนเหมือนคนเป็นโรคนะเหมือนคนเป็นมะเร็งอะ่ะไม่รู้ตัวอ้าหมอมาตรวจเจอนะไปโทษว่าหมอทําให้เป็นมะเร็งเอนอีเออ่ยนะเราเห็นกิเลสดีแล้วถ้าเห็นกิเลสแล้วเราจะชนะกิเลสได้ถ้าเราไม่เห็นเราก็จะต้องตกเป็นทาสของมันเรื่อยๆไปดีละอ้าวเบอร์สามสิบเก้า รู้กว่าแบบไม่ชอบอกุศล น, นะครับไม่อยากให้เกิดอืมแล้วก็กลัวๆอย่าีไม่รู้นะนะใจถึงถึงนะใจถึงถึงไม่ชอบอกุศลไม่อยากให้เกิดแล้วถามว่ามันเกิดไหมตรงที่กลัวอกุศลนั่นแหละโทสะเกิดเรียบร้อยละระมัวแต่ร ะ, ว, นนะระวังอกุศลจนอกุศลเกิดนะระวังรู้สึกไหมใจไม่แช่มชื่นกลัวอกุศลใจที่ไม่แช่มชื่นน่ะ มันเป็นเรียกว่าโทสะมูลจิตจิตที่ประกอบจิตที่มีโทสะเป็นพื้นฐานมันไม่แช่มชื่ น, มนเมื่อไหร่เกิดความกลัวกิเลสเมื่อนั้นถูกกิเลสครอบงำเรียบร้อยแล้วเรารู้ทันนะรู้ไอย่า ก, กลัวมันถึงกลัวก็หนีไม่พ้นต้องเป็นนักสู้นะแบบเรารู้แล้วว่าเราเหมือนหมาจนจอบแล้วนะยังไงกิเลสไม่ปล่อยเราแน่และต้องสู้กันนะ อย่า ก, กลัวให้มันมาแล้วดูมันกิเลสไม่กลัวคนที่ต่อสู้กับมันจริงจงหรอกกิเลสกลัวคนที่รู้ทันมันยิ่งเราเกลียดมันนะโดดเข้าไปชกกับมันนะมันยิ้มหวานเลยหลงกลกิเลสทุกตัวทาหน้าที่อันเดียวกันหลอกให้เราเลิกรู้สึกตัวโทสะเกิดเราก็ไปดูคนที่เราโกรธลืมดูว่าจิตมีโทสะ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 ถ้าเรารู้ทันถึงจิตถึงใจว่ันหนึ่งมันซ่อนอยู่ไม่ได้มันเล้าร้อนมันทุลรนทุรายมีคําอยู่คำหนึ่งอาตาปีการเผากิเลสให้เล้าร้อนไม่ต้องเผาด้วยอะไรเผาด้วยสตินี่แหละมีสติรู้ลงให้ถึงจิตถึงใจนะั้นกิเลสมันทุรนทุรายนะมันต้องหาทางหลอกเราต้องมาพยายามสู้อย่าไปกลัวกลัวก็หนีไม่พ้นวันนี้ภาวนาเป็นไง รู้สึกตัวบ้างหลงบ้างดีแล้วนะรู้สึกไหมใจมันสงบมากขึ้นมันตั้งมั่นมากขึ้นแล้วนะไปรู้ไปเห็นเต๋อแล้วก็คิดนะคะฟุ้งซ่านออืดีทั้งวัน<ม>วนะครัเออทั้งวันนั่นแหละถูกต้องแล้วถ้าสงบทั้งวันนะอาการหน้าเป็นห่วกหน้าสมโฟมันมันยังเห็นว่า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 มีอยู่คํานี้นะจิตคล้าก่อนกับขันมีอยู่ในพระไตรปิดกจิตของพระอราหันต์ไม่ใช่จิตของเราจิตของเราก็เป็นจิตยึดถือขันไม่ใช่เรื่องแปลกนะสมพงศ์ <c oughs> ถ้าหนุ่ยเป็นไง <c oughs> เช้านี้มันโม่ๆไม่ค่อยมีแรงเนอไม่มีแรงเนะถ้าหนุ่ยมานั่งตรงนี้จะมีแรงจะนั่งนะเราหันหน้าไปทางนู้น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 อ, อนั่นแหะเป็นนิบากของเราเราอยากเป็นนักดนตรี <c oughs> ไฝ่ฝันนะอยากเป็นนักดนตรีอยากมีอัลบัม้มวันหนึ่งทาําอัลบั้มมาทามาให้หลวงพ่อฟังเป็เพลงธรรมะทั้งเซ็ตเลยเออบอกทําไมไม่เอาไปให้พว ก, กม้งแกรมมี่อะไรเขาดู <c oughs> <c oughs> ก็กลัวดังบางทีจิตมันน้องเพลงขึ้นมาเคยเป็นไหม แล้วที่ควรประสานมากเลยคือร้องวักเดียวเคยเป็นไหมร้ <laughs> องมันอยู่สามวันสามคืนนั้นแท บ, บจะคลั่งเลยจิตมันกำลังแสดงธรรมะให้ดูฉันจะร้องเปลี่แกจะทำไมเห็นไมอย่าไปกลัวกิเลสนะกิเลสแสดงตัวออกมาทีไรนะก็แสดงจุดอ่อนให้เราเห็นตลอดนะแสดงใจรักนั่นแหละนูเคยปฏิบัติมาแบบกออำหน ด, ดเห็นยินแล้วก็ คิดนะคะเป็นแต่ จ, จะมีคําบริการด้วยนะคะหลวงพอ่อแล้วพอมาฟังฟังเทปหลวงพ่อนะคะแล้วก็อา่านหนังสือก็รู้สึกว่าอยากจะฝึกใ น, น ία, เรื่องของความบริสุทธิ์ด้วยคือ<ด>การฝึกทางอายตนะหกเนี่ยมันเหมาะกับคนที่ปัญญากล้ามากๆมันอยู่ในธรรมานุปัสสนานอายตนะหกเนี่ยนะเมื่อตาเห็นรูปเนี่ย ก, ก็มีสติรู้รูปรู้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 จิตจะทื่อๆนิ่งๆแท้จริงแล้วจิตที่ไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นมิบาจิตไม่มีดีมีชั่วอะไรไม่มีสุขมีทุกข์อะไรเฉยๆเพราะฉั้นพอเราไปดูแต่ทางอรยตณะพวกนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจิตเฉยๆตลอดเวลาเลยต่ทื่อๆนิ่งๆทื่อๆอยู่นั้นน่ะในที่สุดก็ติดความนิ่งความทื่อกิเลสเหมือนกับไม่เกิดขึ้นแต่ความจริงโมหะเกิดเรียบร้อยแล้ว จิตซึมซึมทื่อๆไปเรียบร้อยล้วจิตที่ซึมซึมทื่อๆมันอาบปุสลจิตนะในหนังสือทางเอกที่หลวงพ่อเขียนไว้มีเรื่องของพระองค์หนึ่งชื่อพระพปรุถิระพระโุถิระเคยได้ยินไหมพระไบรันเปล่าถ้ายัางไงก็ไปอ่านเอานะที่จ <อา S 1> ิต เ, เล่าลเออคือเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยมันส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจให้รู้ความเปลี่ยนแปลงที่ใจไป เหมือนที่เนนท่าละหันที่เป็นเนนสอนท่าโพธิละนะเมื่อะกระทบอารมณ์ทางสวานทั้งหกแล้วเนี่ยให้ตั้งสรรมาฐานขึ้นทางมโนทวารทางใจแล้วตรงธรรมโนทวารเนี่ยชวานาจิตเกิดขึ้นที่มโนทวารเนี่ยกุศลอกุศลสุขทุกข์เกิดขึ้นที่ตรงนี้ให้คอยรู้ทันตรงนี้อย่าเอามัวแต่ตั้งอยู่ที่ตาที่หูนะถ้าตั้งอยู่นั้นจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะทื่อ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 ถ้าไปจ้องอยู่ที่รูปที่จิตไปรู้เข้าที่ตาไปเห็นเข้าก็คือการเพ่งรูปการเพ่งตัวรูปตัวนามเนี่ยเรียกว่าอารามานูปนิชานการเพ่งตัวอารมณ์ได้สมถะนะเพั้นคนที่ฝึกไล่จี้ทางไสยตนะจํานวนมากเลยเกิดสมถะโดยที่ไม่รู้สึกตัวนึกว่าทำให้ปัสนาอยู่แต่ใจนิ่งๆชื่อๆอยู่ยนั่นแนหะเหมือนกับหมดกิเลส น, นะเลยงี่ในชีวิตประจำวันของเราที่เราต้องได้เห็น